นะโมตัสสะบริวัอาระหะโตสัมมาสัมพุทธ大般若波罗蜜多心经 มีนโอกาสกว่าดีปฐมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนา<อ>ในเรื่องมงคลสีลุกรับนนทรรจุชนิกิต อ, อันดีงามของตันตสุชนผู้ใจบุญทั้งหลายตันตสุชนผู้ใจบุญทั้งหลายความหมายของการตังธรรมะนั้นมีอยู่หลายประการประการที่หนึ่ง เราฟังเองบุญถ้าอยากโยมตั้งใจฟังแล้วบุญกุศลก็เกิดได้ในขณะที่ฟังดูนั้นกายกรรมวจีกรรมของเราบริสุทธิ์ไม่ละตุนบุญแล้วเมื่อเราตั้งใจฟังสมาธิเกิดเรื่องกับเป็นบุญขั้นสองเราได้ปัญญาได้ความรู้จากการฟังนั้นก็เป็นบุญขั้นที่สามเป็นปัญญาาระมา แต่เพราะวันอาทิตยนี้จะได้แสดงมงคลชีวิตตึดต่อจากกันก่อนก่อนโ น, อน้นกันก่อนก่อนโน้นได้แสดงถึ้งมงคลที่ยี่สิบแล้ววันนี้เป็นมงคลที่ยี่สิบองมองคลชีวิตติดไว้ที่ฝาอันวรนละคาวัฒนานนนริมเรือนมงคลชีวิตติดไว้ที่ใจปฏิบัติได้ทุกวันก็มีผลอันสำคัญอย่างยิ่งที่จะทํำรอให้เกิดความตก ฟังธรรมะฟังเอาบุญก็ได้ฟังเอาขโมยก็ได้ฟังพอเป็นอุปนิสัยปัใจก็ได้ฟังเพื่อกระพุพธปฏิบัติตามก็ได้ฟังพูดทิพย์ผลบุญให้บุรพชนมีดีดามนาเป็นต้นก็ได้เป็นประโยชน์ทางนั้นพระอริยสาวกในสมัยพุทธเจ้าถือการฟังเป็นนวัตอันสําคัญอย่างนี้แล้วในคําสอนของพุทธเจ้าก็แสดงไว้าอีกหลายประการ ว่าบุคคลัราก็ะหูะตังอุปาสุยะคนจะเข้าไปนั่งใกล้กับท่านผู้ที่เป็นของศูนย์ของฤกษ์ศตัญจันนี่นาสีและเมื่อเขาไปใกล้เนี้วก็คนตั้งใจฟังได้การฟังนั้นเสื่อมเสียไปหรือเสื่อมเสียไปเพราะอย่างไรจังโมรังพระมจริยศาสเพราะการฟังนี้เป็นว่าแก้วของพระพุทธศาสน า, าของผ ม, มัจจารย์ ตัศมารธรรมะโรติยาเพราะฉะนั้นคนทุกคนจึงทั้งคนติดกับปการสนใจธรรมะธรรมะกามโมผวังโหติสนใจธรรมะมีแต่นความเจริญตรงกันข้ามธรรมะทิสีปราโผถ้าเราเกลียดธรรมะทางธรรมะท่านกล่าวว่ากินบอ่อของข อ, งอมเสือเ่อมลบไปโนนทางของของเสื่อมดังนั้นนักปราศทั้งหลายจึงนิยอมกันฟังธรรมะในมงคนที่ยี่สิบเอ แสดงถึงความไม่ประมาทดังบาลีว่าอัปปมาโทจะทํามสูณีตมังครมุตตมังความไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายเป็นมงคลนนสูงสุดตรงนี้คําว่าความไม่ประมาทได้เกิมีสติเพื่อจะทําจุดยุดหคิดอะไรอะไรก็มีสติและลึกได้ดยอยู่เสมอเสมอโดยองคธรรมก็ได้เกิดสติสตินี้เป็นเกิดสิท เดืดพร้องกับจิตเดดพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตมีอาศัยที่อาศัยเกิดแห่งเดียวกันกับจิตแต่ว่าไม่ใช่จิตแต่เป็นพวกปรุงแต่งจิตสติมีความระลึกได้ในอารมณ์เหนื่งเนื่งเป็นเครื่องหมายมีความไม่หลงเลมิมเป็นหน้าที่มีการตามรักษาอารมณ์และมีความมุ่งหน้าเฉพาะต่ออารมณ์เป็นผลปรากฏมีความจาได้แน่นยั จำได้มั่นคงและมีสติปัฏฐานสเป็นหัวใ้คิดที่จะให้สติเกิดความไม่ประมาทในที่นี้ท่านจาแนกเป็นคิดสี่อย่างคือไม่ทําทุจริตปรสามฆ่าสัดว์ไม่รักทรับย์ไม่เปิดพืชผิดประเวณีไม่โกดกเท็จไม่พูดคําเสียบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเผยเจ้าในโลกอยากได้ของเขาไม่เพยบบ้าน บาปปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากธรรมนองของครรคนที่เห็นผิดจากธรรมนองของธรรคือ เ, เห็นว่าบาปไม่มีบุญมีอสวรวมนนรกมีนั่นที่เรียกว่าเห็นผิดจากธรรมนองของครรที่เห็นตรงกันข้ามว่าบาปมีบุญมีอสวรวมีนะรกมีเรียกว่าเห็นถูกต้องตามธรรมนองของครรและก็ไม่ส่งเสริมแต่การทำทุจริตทั้งสามดังกา่าวมาทำกุศลโดยความเคารพ ทำกุศลติดต่อกันทำกุศลไม่หยุดทำกุศลไม่ย่อห ย, ย่อนไม่แท้สันทะในการทำกุศลไมตทุระในการทำกุศลตั้งใจทำกุศลอย่างเต็มที่มันทำกุศลลงมือทำกันบ่อยๆทำให้หมกัมกหมัดงดสิ่งที่ควรงดจเจริญสิ่งที่ควรเจริญเช่นเจริญสรรมัและย่อศาสนาเป็นตัวอย่างอันนี้คือว่าความไม่ประมาทโดยธรรมะ ที่ท่านกล่าวไว้ในหลักบาลีความไม่ประมาทนั้นเมื่อจะย่อให้สั้นๆในแนวปฏิบัติก็เหลือสามเธอไม่ประมาทขั้นต้นไม่ประมาทขั้นกลางไม่ประมาทขั้นสูงไม่ประมาทขั้นต้นได้เจ็ดตั้งตนไว้ในขีนห้าหรือขีนแปดขีสสองร้อยุเจ็ตามสมควรจะเ ท, เ ท, เทื่อจะโพก็ชืว่าไม่ประมาทขั้นต้นหรือพากันตั้งใจทาบุญให้ทานไหวพระศพมนก็ใช่ ไม่ประมาทขั้นกลางได้แก่ตั้งตนไว้ในการไหว้าระสวดมล์สมาธิเจริญสมถะกรรมฐานภาวนาพุทโูจีสาโลมาเป็นต้นไม่ประมาทขั้นกลางหรือขั้นสูงยิ่งให่ไม่ประมาทขั้นสูงได้แก่ตั้งตนไว้ในปัญญาคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าเป็นความไม่ประมาทในขั้นสูงในที่นี้ ธัรมะในมงคนนี้ได้เจ่รักษาศีลให้บริบดรณ์ต้องเอมอินทรีรู้ประมาณในโพชณะบำเพเทียนกับธรรมเกศที่รู้เหตุรู้ผลรู้นรู้ประมาณรู้ราการรู้บริษัทเลยเจ็ดเลือกบุคคลธรรมะขันหะเรียโพธิปขิยธรรมสามสิเประ 30, ปกาศมีสีประธานสี่สมำนิมัตประธานสีอิทธิบาทสีอินทรีย์ห้าพระหา้าโพตรงศึมัก เมื่อให้สั้นกน็ได้เจ็สิ่งสมาธิปัญญาย่อลงมาให้เหลือหนึ่งก็ได้แก่ความไม่ประมาทนี่แหละเรียกว่าธรรมะในที่นี้ไม่ประมาทในธรรมอัปมาทโทสุติธรมีสุความไม่ประมาทในธรรมะคาว่าความไม่ประมาทก็ได้เจียมีสติไม่ประมาทในธรรมคืออะไรคือโพธิปคีธรรมสามสิบเจ็ประการเป็นหลักใหญ่แต่ว่าที่กล่าวมาในบาลี การรักษาศีนทห้บริบูรณ์ก็เป็นธรรมะการสำรวจอินทรีย์ก็เป็นธรรมะการรู้จักประมาณในโภชนะก็เป็นธรรมะการบำเพ็ญเทียนก็เป็นธรรมะสัพธรรมสามสาสัพธรรมเจ็คือสัพปริสัพธรรมทำของสติวุตเจประการก็เป็นธรรมะตลอดส่วนสูงคือโพธิปตะคีธรรมสามสิประการนี้คือธรรมะ การทําคนงามความดีในธรรมะเหล่านี้เที่อวความไม่ประมาทเท่านั้นจนึงแยกไดเป็นสามดังที่กล่าวมาแล้วขั้นตน้นขั้นกลางและขั้นสูงแต่ความไม่ประมาทอันสูงสุดในพุทศาสนาท่านหมายเอาผููที่จะเริญนวิปัสสนากรรมฐานเที่ยวเป็นเที่ยวไม่ประมาทโดยแท้ความไม่ประมาทนั้นเป็นมงคลได้อย่างไรท่านกล่าวไว้ว่าเป็นมหากุศลเป็นคนไม่ตายต้องกันนบายนายจากกองทุก สนุกในธรรมนาสู่กุศลมีผลเป็นสุขปกตนให้ตื่นขึ้นชมเบิกบาลเผาผลาญขมขั่วในเกลกกือรรกขออัรถันขปถัมพุทธศาสต ร, ร์ในโอวาททั้งสามส น, นามว่าชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินขึ้นภพสิ้นชาตินักปฏาสระแสนมี่เรียกว่าเป็นมงคลเป็นดังนี้ทีนี้ตัวอย่างประกอในผู้ที่ไม่ประมาทในธรรมะท่านกล่าวไว้ในมงคล หลักสูตรประโยชน์สีหรือมองคลดีปณีถึงสมัยนี้จะเป็นหลักสูตรประโยชน์ศีหรือประโยชน์ของกล้วยเรื่องอุบาสกเมืองสวัสดีในเมืองสวัสดีมีบาสกคนนนึ่นผู้มีใจเลื่อมใสจัตพาในภา ร, รกิจใดเป็นอย่างนี้ไม่ทําที่อันุกขระให้ราบเรียบในทางบินทบาทของทุกษุขนาน้ําออกถางกอไม้พุ่มไม้ออก ทำสะพานข้ามเมืองปลูกต้นไม้เงาพรวนพรนดินทำถนนทำท่าอาบนา้ำถวายทานฟังธรรมรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดบวชเป็นสมัมมาเนรบวชเป็นพิสุกระเริญนธรรมะกระเริญนวิปัสนาจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ย่ยากกว่าเป็นคนใจบุญทำบุญขึ้นไปโดยลำดับกำดับตั้งแต่ต่ำตั้งแต่ทานศีลทอนาจนได้มรรคผลนิพพาน อย่างนี้ก็ชัวร์เป็นผู้ไม่ประมาทเรื่องนี้เชื่อเห็นอย่างเด่นชัดมากว่าผคุบัสกคนนี้ไม่ประมาทในทานเส้นภาวนาชัวร์เป็นผู้ไม่ประมาทในคำอย่างสมบูรณ์แบบโดยแท้เรื่องที่สองในโคดธสรมมเนยพระเจ้าอาโศกกับมหาราชทงรงสัตย์พระกรรมทิฏฐาของสมัยน้อยหกหนึ่งช่วงนีโครับ เน้นที่ว่าอัปปมาทังอมตะังปทาอัปปมาโูอมตะังปทางความไม่ประมาทเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ตายคระเทศหัวข้อเท่านี้แหละขึ้นคถาเท่านี้แหละอัปปมาโอูอมตังปทางเท่าเนี้แปลใจความว่าความไม่ประมาทเป็นอตมตะธรรมคือเป็นธรรมะที่ไม่ตายพระเจ้าอโกกมาราตรัสกาสมมเณีน้อยว่าหยุด เท่านั้นเธอพอนืนยดเท่านั้นเธอพอนืนพอนืนกล่าวพพุทธพุทธเจโยมจบทั้งหัวกิดยกแล้วทรงเลื่อมใสในสัมมเนมะรับสั่งให้สร้างวิหารถวายเป็นพุทธบูชา8ป0 0มืนสี่พันองค์เรื่องนี้เชื่อเห็นว่าบุคคลที่ไม่ประมาทในธรรมะสามารถนำตนไปสู่สุคติโลกสวรรค์มรรคผลิทธานได้เป็นแน่นอน ดังนั้นความไม่ประมาทในธรรมะจึงเป็นมงคลอันสูงสุดในภพพิพัฒนาศาสนาประการหนึ่งถ้าเราดูในอัตถกถาหรือดูในพจนไปปิดดกภพพิพัฒนเจ้าจะตรัสความเสนอเสิร์ฟมากเหตคําสอนของภพพิพัฒนเจ้า8ปดหมืนสี่พันพัรมขันนับเป็นพจนไปปิดดกในหนังสือสี่สิ้าเล่มตั้งแต่เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่แปดรวมแปดเล่มมีคําสอนอยู่สองมวหนึ่งพันพัรตมขัน อันนี้เป็นพวินัยปิดกย่อให้สั้นเหลือข้อเดียวคือศีลศีลในหน้าที่ปาราบกิเลสหยาบที่จะล่วงมาทางกายกับทางวาจาคนมีศีลและกิเลสหยาบเหล่านี้ไม่มาเพราะสูตรมีหนังสือที่สิบห้าเล่มมีโยห้าคำทีมีคำสอนอยู่ถึงสองหมื่นหนึ่งพันคมภ์ขันย่อให้สั้นคือสมาธิสมาธิมีหน้าที่ปราบกิเลสกลาคงคือนิวรณทั้งห้า พระอาิธรรมมีหนังสือสิบสองเล่มมีคําสอนอยู่ถึงสี่หมืนสองพันพัรตมัขันย่อยสั้นเหลือข้อเดียวคือปัญญาปัญญามีหน้นาที่ปราบกิเลสละเอียดเรียกว่าอนุใสอเนกแปรตว์ดองไสแปรว่านอนอนุใสเกรากิเลสที่นอนดองอยู่ในใจของแต่ละ บ, บุคคลเหมือนพิจกรอยู่ก้นตมอันนี้ต้องปราบด้วยปัญญาขั้นวิปัสสนาคําสอนของอริเจ้าพราะองค์ย่อลงมา เมื่อเปิดภูสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปย่อลงมาสู่หลักสามประการคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อพระ อ, องค์จะนิพพานย่อลงมาสู่ข้อเดียวคือความไม่ประมาทความไม่ประมา ท, ามมมาทก็ได้มีสติคนมีสติก็คือคนเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละเป็นส่วนสงฆในส่วนจำก็แยกออกเป็สามไม่ประมาทขั้นต้นขั้ น, น, น, น, น, น, นกลางดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ว่ามองคลที่ที่คือกตกในมองคนที่สองนี้สัมมาคารวะคำว่าคารวะแปลว่าความเคารพคือมีความอ่อนน้อมทางกายวิาจาใจเพราะว่าไปสูงคือมีธรรมะประจําทําให้กายวิาจาใจไม่ตกไปในทางกลับไม่ตกไปในทางชั่วนีแต่จะนําไปให้พ้นจากวัตรสงสารคำว่าคารวะแปลว่าหนัก ดิมีคนงามความดีหนักแน่นมั่นคงดังชัดหนิฮารวะแปลว่าปรากฏจิตทื่แสดงออกมาทางกายทางวิชาทางใจให้คนอื่นรู้ได้อย่างชัดเช่นการกราบพระประธานเป็นตัวอย่างฮาระวะแปลว่าเปิดเผยคือเปิดเผยความดีต่อกันขึ้นเมื่อคู้น้อยไหวผู้ใหญ่ก็ต้องตอบรับหรือให้พรเป็นต้น คาระวะโดยองค์ธรรมได้แก่มุติตาจิตตเจตคือกายมุติตาและจิตมุขุกตาหรือได้แก่มหาสุสันเป็นต้นคาระวะหรือความเคารพนั้นมีถึงเกือบอย่างเคารพในภพติ๊กเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาในสมาธิในความเมตตธรรมและปฏิสังาขารอธิบายว่าเคารพในภพติ๊กเจ้านั้นแบ่งออกเป็นสองสมัย คือสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพรนะชนู่สมัยที่พระพุทธองค์ทรงประนิพนธ์แล้วนะสมัยที่พระพุทธองค์ทรงพอะชนญุท่านปฏิบัติต่างนี้คือมองไปสู่ที่บํารุงทั้งสามการคือเช้าเพลินย็บสองเมื่อพระพุทธองค์ไม่สวมรองเท้าจงกรมเราก็ไม่สวมรองเท้าจงกรมสามเมื่อพระพุทธอ ง, งค์จงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ เราก็ไม่จงกรมอยู่ในทิศสูงคือเมื่อพือกัลโองทับอยู่เบื้องต่ำเราก็ไม่อยู่เบื้องสูงห้าไม่ห่มคุมบาทั้งสองในที่ทอดพระเนตรเห็นหกไม่สวมรองเท้าในที่ทอดพระเนตรเห็นเ็ไม่กั้นร่มในที่ทอดพระเนตรเห็นแต่ไม่ถ่ายอุจจระปัสวะในที่ทอดพระเนตรเห็นเมื่อพระวุธโองพระเนตพผานเนีปฏิบัติกันดังนี้คือ หนงไปไหว้พระทีดีตามโอกาสอังควรสองไปไหว้สังวีชนียาสถานสี่แห่งคือที่ประสุตตรสรูแสดงธรรมและปรนิพานสามเคารพต่อพระพุทธรูปสี่เคารพต่อพุทธภาวะห้าไม่สวมรองเท้าในลานพระทีดีหกไม่กันรมในลานพระทีดีเจ็ดใหละเดินไปใกล้พระทีดีไม่เดินทางกิรจาฝากแดเข้าไปในเขียดวัดตลองรถไหลเห็บหึกรถ หร อ, องเท้าเจ้าไม่ทำอัคารวะทุกๆอย่างเท่าที่ตนเห็นว่าไม่สมควรจิกลาบาไหวโดยเดินจังครับประดิเขียเอ็ดปร่งวาจาว่าคนำรารึกถึงขอคิดถึงเขีอนเอ็ดจีโคภักวะถึนต้นจิตสองตามราลึกถึงคิตถึงคนรุ่ใจอันบริสุทธิ์ทุดผ่องจิสปฏิบัติตามพระโอวทาททั้งสามข้อเป็นนิส ด, ด้วยจิตเคารพจริง การเคารพพระธรรมเคารพทอดธรรมโดยองค์ธรรมได้แก่มหาอุศลนมหาจิริยาจิตตุปาจนส้นหมายคาอว่าเคารพในอดไซติจดคือพระวีไนสูตพระอภิธรรมโดยการเรียนรู้และปฏิบัติตามจนได้ผลตามพุทธกฏสององค์ส่วเด็กฝึกสัมมาสุสนเีเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโวานันทะมยาธมโมจะหินโยจเทสิตโตปัญญจโตสุโ ว, ว, วมัมมติยนัสถา รู้ ก, ก่อนอนุหนทำและินในที่เราได้แสดงไว้แล้วในบัญญัติไว้แล้วนั้นแล้วจะเป็นครูของท่านทั้งหลายในเมื่อเราตถาคตมิผ่านไปแล้วดังนี้ถ้าทำนั้นมีอยู่สามคือปรยิยติธรรมหนึ่งปฏิปติธรรมหนึ่งประเทธรรมหนึ่งหย น, นหนึ่งคําว่าธรรมานั้นมีอยู่สามคือกูตรธรรมอกูศรธรรมอัพยาอัตตธรรมหยุดในหนึ่งท่านกล่าวว่ามีสิคือ คุณธรรมพลานาของบุญลบาปเทสนธรรมที่โด ย, ยให้พูดวังพือในวังพระบิธรรมมังโดยสมมติวางโดยประมัตล้วนวางแล้วก็ปริยัติธรรมในเกี่การศึกษาเรียนการสอนกันนอกจากนั้นก็มีปรมัติธรรมลว้วน ท, ที่จิตใจที่เพื่อให่านก็คือว่าธรรมะอกุศลแได้เก่กุศลและขิ ยี่สิบเอดเสิสามสิบปดนี่ก็เป็นธรรมะอกุสรธรรมและเจ้าุสรสิิสองเจ็ดสิบเ็ี่สิบเจ็ดนี่ก็เป็นธรรมะแต่เป็นฝ่ายบาปขัตยากัตถธรรมและจีบบาปประจิตสามสิบหกกริยสิบที่สิบสยี่สิบแปดนิพพานหนึ่งนี่ก็เป็นธรรมะที่นีการเคารพธรรมะนั้นหรือการเคารพขัดธรรมนั้นท่านกล่าวว่าเน่งเมื่อมีการประกาศฟังธรรมก็ควรไปฟังธรรมสองเมื่อ ฟังก็นั่งฟังธรรมะในโรงธรรมในโรงฟังธรรมโดยเคารพสามไม่นั่งหลับสี 4. ไม่ฟุ้งซ่านห้าไม่สนทนากันเ ร, รื่องอื่นๆตั้งใจฟังจริงหกไม่วางหนังสือบันถูกพระธทมไว้ในขีดต่ม่เหยียบย่ำคำผีเจ็ดไม่พูดดูหมิ่นพระธรรมและแปดตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมคือศีลสมาธิปัญญาดังนี้ก็เรียกว่าเคารพกับคำทีนี้ส่วนเคารพพอสงค์ เคารพพระสงฆ์ได้แก่มีความจมีความยำเกรงอ่อนน้อมกราบ้ายบูชาเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านสงเกยว่าผู้ฆ่ากิเลสหมายเขาไม่จะเป็นใครๆครก็ตามถ้าพยายามฆ่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงแล้วผู้นั้นไ่นามว่าสงเป็นสงเหมือนกันสงนั้นมีอยู่สามจำพวกคือผมมดหรสง ประมัตถสอ์อริยสองสมุติสอ์ได้เจอทิสุนับตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปรวมกันประชุมกันอยู่ประมัตถายองได้เจ่บคคุคคลทุกๆคนที่กําลังปฏิบัติวิปัสนามีรูปนามเป็นอารมณ์อยู่ชาวพวกนี้กําลังมุ่งที่จะทําลายกิเลสตัณหาเท่าที่ตนสามารถอริยสอ์ได้เจอผู้เจริญวิปัสนาจนได้บรรลุมรรคผลในผ่านไปแล้ว คือพระอรุณแปดจําพวกมีพระอรุขึ้นตั้งอยู่ในโสดาบปฏิมักเป็นต้นอันนี้ไม่จํากัดจะเป็นพระเป็นเนมเป็นเท็นเป็นคือได้มรรคผลนิพพานก็ชื่อว่าอาหิยะสองเขารพพระสงฆ์นั้นคือนึ่งเวลาไปสู่ที่บำรุงของพระถีละต้องกราบหรือว่าโดยเ็นจังขประดิษฐ์ก่อนแล้วถึงนะสองไม่นั่งเอามือรัดเขา่าสามไม่นั่งเอาผ้ารัดเขา่าสี ไม่สวมแรงเท้าในท่อมกลางสงห้าไม่กั้นรบในท่อมกลางสงหกไม่ขนองมือไม่ขนองเท้าเจ็ดเมื่อพระเถระไม่เชิญไม่แสดงธรรมแปดเมื่อพระเถระไม่เชิญไม่แก้ปัญหาเกไม่เดินยืนนั่งเดียดพระเีระเจ็ดไม่ห่มคลุมท่อมกลางสงสิบเอดแลดูด้วยจิตเลื่อมใสสิบสองจนรับด้วยพยธรรมตามมีตามเกิดหรือตามศรัทธาสิสามยกมือไหว้ ขสแอดูดึกจิตเริ่มใสดได้ในตาหนารักข้อท้าเจริญสมถะและวิปัสสนาอันนี้เรียกว่าเครพรพผองสงสวนข้อที่4เคารพสิกขาการเคารพสิกขาหมายความว่าเคารพต่อศีลสมาธิปัญญาคือตั้งใจเรียนและตั้งใจปฏิบัติตามเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงชื่อว่าเคารพสิกขา ท่ศขาแปลว่าการศึกษาจะแนกเป็นสี่ทิศทีศึกษาจรียศึกษาภละศึกษาหัตถศึกษาทิศที่ศึกษาได้แต่การศึกษาเราเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สาขาต่ตางๆในหลักพระพุทธศาสนาเป็นแสดงหลักของกั้ราการที่ดีไว้5้าประการคือปัญญาวาต้องมีความรู้ทางโลกดีทิทีิสมปนโนต้องมีความรู้ทางพุทธศาสนาดี วิธาณะวิติโกวิโทต้องสลัดในการจัดงานทั้งคดีโลกและคดีธรรมการันยูข้อที่สี่การันยูรู้จักกาลเทศะข้อที่ห้าสมานันยูรู้จักสมัยที่ความสมานสามัคคีกันและท่านแถมมาอีกข้อสุดท้ายเป็นข้อที่6อุคคลตาขยานันประราชวาสติงวสสผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เป็นข้าราชการก็อยู่ในวงราชการได้ดี ทำว่าสมัยปแปลวาคนะหรือโอกาสเหตุผลกาลการได้การได้และความสามัคคีสมัยในทีน่นี้ท่านหมายเอาความสามัคคีจักรยาศึกษาด้เก่ยการศึกษาเกี่ยวกับมารยาทต่างๆมีห้าอย่างคือเน้อคุณธรรมโมมารยาทประจำตะโกนเช่นตระโกนผู้ ด, ดีมีการอบรมเป็นพิเศษ สองเทวทัมโมมรยาธประจําประเทศประจํารัฐประจําแพร่ประจําทั้งสิ่นเป็นหน่อยหิ้งสาประโมทรมโมความไม่เบียดเบียนเป็นมรยาธิอันสูงยุ่งหรือมรรยาธิของประจําโรงรับโรงเรียนต่างๆ่สามปาสันดักทรมโมมลยาธเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ่างเช่นประเพณีไหว้พระประเพณีสวดมนต์ประเพณีกราบไหว้ทอดกระถินพระผ้าป่าเป็นต้น สีสม ม, มติฐานโมมรยาทเกี่ยวกับการฝึกสมาธิทําใจให้สงบห้าวิปัสสนาธรมโมมรยาทเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในปัจจุบันรู้นามประทายรัมกมรรคผลในพาท ส, สามเราศึกษาได้แก่การศึกษาเกี่ยวกับกํำลังกําลังนั้นแบ่งออกเป็นสองคือกําลังภายนอกได้แ ก, ก, ก่กำลังกายกําลังปัจจัยสิ่งคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่ที่อาศัยยาแก้ไขเป็นต้น สองกำลังภายในได้แก่กำลังใจคือมีพระคำสำหรับกำกับใจให้เด้ดำเนินชีวิตไปถูกต้องตามทํานองของธรรมได้แก่พละห้าคือสตาเชื่อมัน่นวิริยะเพียรสติรอบคอบสมาธิใจตั้งมัน่นปัญญารอบรู้อั น, นนี้ที่เรียกวกำลังภายในที่หัตศึกษาได้แก่การศึกษาเกี่ยวกับการใช้มือให้เป็นประโยชน์แก่ตัว ผู้เอืน้นประเทศชาศาสนาเช่นสั่างปูนั่า ง, งไม้สั่างทาสีสั่างปั้นช่างเขียนช่างเสริมสวยสั่างเย็ดปักถะกร้อยั่างออกแบบแฟนเพนผังต่างๆช่างเขียนบทความเขียนนวนิยายเขียนตำรากระสูนไปในพระอิธรรมทั้งทงางโลกทางธรรมก็ถือว่าเป็นขัตตศึกษาทั้งนั้นใช้มือข้อห้าเคารพในสมาธิ การเคารพในสมาธิหมายกวัตตั้งใจบำเพ็ญสมาธิคือตั้งใจเจริญกรรมฐานนั่นเองสมาธิมีมากมีสองก็มีสามสี่ห้าหกก็มีเกณนสมาธิสองได้แก่โลกิยะสมาธิสมาธิที่เป็นเพียงโลคิยะเกณฑภาวนาพุทโธสำบารหังหรือภาวนาจีสามโลมาณคาทนตาโลกุตระสมาธิได้แก่สมาธิที่เป็นโลกุตระสมาธิขันสูง สมาธิกันสูงขึ้นตัวอย่างโลกศิษย์ของพระสารีบุตรมันเป็นพระบวดใหม่รูปร่างงามอยูพันวันณนะสวยพระสารีบุตรก็ให้กรรมฐานของท่านคืออสุภกรรมฐานสามเดือนสี่เดือ น, อนไม่ได้ผลเลยมีแต่ฟุง้งซ่านก็พอไปเฝ้ า, พ ร, พ, าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกกับสารีบุตรลูกศิษย์เธอจะได้มรรคผลนิพพานในหลังเพลียนวันนี้พอทานอาหารเปลียนเสร็จปุริเจ้าก็ เอาดอกบัวทองเพราะว่าพระองค์นี้เคยเป็นช่งทองมหาล้อยชาติเอาเธอเอาดอกบัวทองนี้ไปตักไว้ที่กองทรายจเจริญกรรมฐ า, านนะท่านในดอกบัวทองสีแดงแดงหน่อยจักประหัสพูริเจ้าท่านก็ไปขวาดทรายมารวมกันหลังวัดแล้วก็นั่งกรรมฐ า, านหลังวิหารท้ายวิหาร นั่งกรรมาฐานเพ่งถึงสีแดงของดอกบัวว่าโลหิตกังโลหิตกังสีแดงสีแดงวิตตกยกขึ้นสูงสีแดงยิจารใจวนรอบอยู่กับสีแดงไม่ช้าไม่นานได้บรรลุปฐมฌานพุทธิตะติจตุตฌานแล้วพระพุทธเจ้าก็เปล่งรัทธิมีมารเรล่มตาลัดดอกบัวเหี่ยวทันนึกว่าเออดอกไม้ไม่มีวิญญาณยังฉลาปิดท น, นคนเราจะฉลาไม่เก้น เป็น แ, แล้วเด็กมาเก็บ ด, ดอกบัวเอาวางไว้บนบกท่านดูมันเหี่ยวพอดอกบัวในน้ำมันสดชื่นดีท่านก็ตรงกรรมฐ า, านอีกว่าดอกไม้นะไม่มีใจยังฉลาเป็นไฉเราจะฉลาไม่เป็นแต่เหียวพริเจ้าข็ช่วยแต่รัศมีมาเทศให้ฟังว่าพิสุอุดธินทะสเนหามัตตโนโถจงตัดความเยื่อใยของสนเสียเหมือน ก, นกันกับคนถอนดอกบัว ด้วยมือฉะนั้นเธอจงพ่อพูนทางแห่งสันติเถิดนิพพานนั่นพรสุขแสดงแล้วเมื่อท่านได้ฟังก็เกิดจงใจเจริญวิปัสสนาสำเร็จมรรคผลนิพพานอย่างนี้เรียกว่าเคารพในสมาธิเป็นโลกุตระสมาธิสมาธิสามเลยแกคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิสมาธิจนถึงฌานอัปปนาสมาธิสมาธิที่ แน่วแนจนถึงชานหรือถึงมักแล้วสมาธิสี่คิดถธรรมสุขวิหาระสมาธิใ้เจตสมาธิที่บุคคลเจริญเพื่อความอยู่เพียรเป็นสุขสบายในพบปัจจุบันทันตาเห็นเล่นสมาธิเล่นชาญเล่นสมุทะญาณทัศ ส, สมาธิในเจตสมาธิที่ให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาในญานสองสาม อยู่ในเขตสมัทฐานสติสัมปชัญญะสมาธิได้เกิสมาธิเพื่อให้เกิดสติสัมเนียะสมาธิอันนี้ฝึกให้เกิดความจําเรียนหนังสือเก่อาสวัคยสมาธิได้เกสมาธิที่เป็นไปเผยสิ้นอาสวัจรตอันนี้เกิดเฉพาะพิปัสนาตั้งใจให้ได้มรรคผลนิผ่านจริงๆสมาธิห้าก็มีสุขสมาธิได้เกสมาธิเผยเกิดความสุขทางเจประการมีสุขของมนุษย์สุขทิพเป็นต้น สันตสมาธิได้เกิสมาธิเลยเกิดความสงบอริยะสมาธิได้เกสมาธิเลยหางใกล้าจากจิเลสพาสสิรามิตสมาธิได้เกสมาธิถี่อิงสมุถ tha ในวิปัสนาอากาปุริสาสมาธิได้เกสมาธิของมหาบุรุษคนน้ําใจให ญ, ใหญ่นั้นนี้ก็เป็นสมาธิว่าจํานวนให้ฟังเท่านั้นไม่ต้องจําแล้วแต่จําไรก็ดี สมาธิหกคันี้ก็สมาธิสมาธิชั่วขณะขึ้นได้ยินน้องยินน้องยินเนาะรื้อพองเนาะยุกเนาะรื้อพักโพสมาหังก่อได้ขูประจารสมาธิไปเจอสมาธิเก็บจะถึงฌานเขียดเข้าไปแล้วอัตปนาสมาธิไ้เจอสมาธิแน่วแน่ถึงฌานถมัคมัคสมาธิแต่อ้อถึงฌานมัคเทสมาธิไปเจอสมาธิที่เกิดพร้อมกับมัคมัคสี่มีโผดามไปมัคเป็นต้น แต่เาสมาธิสมาธิติดกิดท่องกับผลมีเสดาวปฏิปผลเป็นต้นเม่ว่าถึงจำนวนของสมาธิสมาธิสองบมีสมาธิ3ถึงมีสีก็มีห้าก็มีหกปัจจัยขะสมาธิเด็เกิดสมาธิทติดกิดท่าท้ากับปัจจิธขณะหาดการตั้งใจปฏิบัติสรรมะแะยุติธรรมนาเพื่อเกิดสมาธิดังต่อมานี้ชื่อว่าครรคในสมาธิจัดเป็นมงคนเงิน ส, ส้นศึกโดยแท้เรียวคนบควารรคในคนามไม่ประมาท ความื่อประมาดนั้นไม่เกีกับความมีสติไม่ละสติไม่ปล่ยสติไม่ลืมตัวไม่โมเมาไม่ร่วมหลงพราะเมื่อประมาทนั้นไม่เกล่าวโดยทิฏดานมีสิบสองอย่างหนึ่งไม่ปล่อยใจไปในการโมคุณ5 2. าสอทำความเคารพในการเจริญกุศลธรรมสามทำความเพียรในการบำเพ็ญกุศลสุขุผลให้ติดต่อกันไปไม่ท้อดท้ายสีบำเพ็ญกุศลธรรมในหยุดยั้งห้าไม่ประคึติเจรอญในกุศลธรรมพก ในทอดสันทัศสมุละความพอใจในการสร้างบุญสร้างกุศลเจไม่ทอดทุละในกุศลธรรมแต่ตั้งใจมั่นอยู่ในกุศลธรรมเก้ามันประกอบในเนืองในกุศลธรรมสิบเศษบ่อยๆซึ่งกุศลธรรมสิเอ็ดลงบ่อยๆซึ่งกุศลธรรมสิบ้องทำให้มากๆซึ่งกุศลธรรมกุศลธรรมในทีนี้ท่านจงเนตแตกให้เป็นศประจานคือเียสังวร วความระมัดระวังความรู้จักประมาณในโพชนะมันก็พอคันเทียนขับทํามคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทและโทะอทิปถือธรรมามสิบเจการนี่คือวัตถุสมบธรรมธรรมในประมาทนั้นเมื่อจะกล่าวโดยจะย่อมีอยู่สามประการคือขั้นตนขั้นกลางขั้นสูงความในประมาทขั้นตนได้เกิดตั้งตนไว้ในประโยชน์บับนี้อย่าง ตั้งจำไว้ในทางกุศลขีมกุศลหอมเม่ประมาทขั่งกลางได้จัดตั้งกจำไว้ในมหากุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นไหวพระเศดยนมนเจริญธรรมถากธรรมฐานหอมไม่ประมาตขั้นสูงได้เกิดการเจริญวิสันสนากรรมฐานหอมไม่ประมาทนั้นเมื่อกล่าวให้สั้นที่สุดในแนวปฏิบัติมีหนึง่งคือสติผู้ใดมีปฏิคุณนั้นเกิเป็นผู้เมประมาต คนมีสติชั่วประเด็จปฏิบัติถูกต้องตามพัมทธธรรมคำสอนของอริยเจ้าทุกประเดีนี้ข้อเจ็ดเคารพในปฏิสันฐานคำว่าปฏิสันฐานประวัติจิตช่องโหวหมายคำ่าโลกประสงค์มีว่าคือที่อยู่ขออาศัยคือที่อยู่อาศัยของหมูสัตว์นี้มีช่องโหวอยู่สองอย่างคือช่องโหว่ของคนหนึ่งช่องโหวของคนอื่น ช่องโหวทั้งสองช่องนี้จะต้องติดด้วยเครื่องติดสองประการคื อ, ออาณิสหนึ่งธรรมะหนึ่งการติดช่องโหว่โดยอามิสนั้นคือการต้อนรับไปอาณิสติดด้วยกิริยาม ร, รยาทั้งกายทังวาจาเกาะแล้วจึงติด้วยอามิสได้แก่เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่เที่ยวสายยาแจ็คแห่งมีวิธีปฏิบัติอย่างนี้คือยกขึ้นต้อนรับ ก็เ ป, ป็นพระกราธม น, นั่นก็รับบาตรนักจีวรรับของถิ่นคนรับเงินกระเส๋ปเป็นต้นตออาสนะพัดทาทาน้ํามันให้เพื่อจัดมีในยำใส่น้ําอ้อยเป็นต้นให้ลําร้อนนําเย็นทำความสะอาดอาคารที่อยู่ที่อาศัยพาเชื่อวไปยินทบาทพาไปในจิตนุ ม, มั่นให้อามิตรจิตตนให้แก่ท่านจเป็ น, นได้แก่ท่านเพืให้แก่ อ, อาตนตุกา ยิ่สุขให้อุปถัมภ์อาจารย์เมื่อพรบคนแจหรือนางพิชญีเมื่อคิก็เพิงให้คนเหล่านั้นให้แกวิรามันดาให้แกวยาวัตรกคอนโผลรับใช้ให้แกพระราชาให้แกโจรให้ แ, หแกผู้กระทบมันดาบิรามันดนให้แก บ, บรนดุตระหักการติดช่องโง่โดยธรรมะนั้นคือการตัรถถ้งทัพคุยธรรมะมีวิธีปฏิบัติอย่างนี้สอนดาลี และอัตถะให้โดยคารพพลานาเนื้อธรรมแห่งพระบาลีให้ตังโดยคารพบอกธรรมะสอนธรรมะแสดงธรรมะให้ตั้งโดยคารพสอนกรรมฐานให้สอนธรรม ะ, ดรรมะโดยรรรรรประยัตปฏิบัติปฏิเวทให้บรรเทาความรำคาญพุ้มใจให้ช่วยเหลือจิตเกิดขึ้นจนจนกรรมจิตควรขึ้นช่วยในการทำบุญต่างๆเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายร่วม ก, กัน ให้อภานออกจากอ ბ ัตให้มานับให้ปริวาให้บัญชาผู้ที่ควนบัชาให้อยุตตรสมงบทผู้ที่เวรอุตสมบทแม่แม่สวดกรรมยจาให้แต่นางทิศมีถาวางอุตตรสังบทในคำนักของตอนก่อจัดเป็นธรรมะปริสานฐานได้ในสมัยนี้บวชชีให้เกิดผู้ประสงค์จะบวชก่อจัดเป็นธรรมะปริสานฐานได้ถึงเขา้วบวชชีความเปนต้น ผู้ที่ปฏิบัติตามคารวะทั้งเจประการนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีสัมมาคารวะโดยแท้ที่นี้ความมีสัมมาคารวะนั้นเราก็าจะเจ้าถือว่าเป็นมงคลข้อนในมงคลสองสเป็นมงคลข้อที่ยี่สิบสองว่าเป็นมงคลกับพระเป็นหมาสป็สนเสเป็นการรักษาทางธรรมเนียมปฏิเนียมดีงามไว้เป็นผู้มีวัฒนธรรมมีศิลธรรมมีกัลยาณธรรมอันดีงาม เป็นตัวอย่างอันดีงามแต่อนุถนุลุ่นหลังเป็นเหตุให้เกิดความรักใหนดีต่อกันเป็นเหตุให้เกิดเมตตากรุณาต่อกันมีสติดีไม่มีความเดือดร้อนคือว่าตนถูกเตรียมเสบียงไว้แล้วชื่อว่าฟ้องกันใครในใบเยเ็บเพิ่มถือว่าเป็น บ, เปนบอกเกิดแห่งคนสุขคือว่าเป็นผู้ยินดีในทางดําเนินของพระพุทธเ จ, จ้าขอโทษของพระอริยเจ้า เหตุให้ไปสู่สุขติจเหตุให้เด็กไปเกิดในประกูลสูงที่ว่าเด็กบำเพ็ญศีลขาสาที่ว่าไม่เดือมจากสมถะวิปัสสนาและมรรคผลผุผ่านตัว อ, อย่างประกอบในมงคล น, นี้คือเรื่องมัตตกุณลีเทิดขอบเดของความคนหนึ่งชื่อมัตตกุณลีก่อนไปจะดับจิตไม่เห็นระพติดใจแล้วมีสัมมาคารวะเป็นอย่างดีชั้นดับจิตก็เลยไปเกิดในสวรรค์ชั้นระ ด, ดับึง เคยมัตตากุณลีเทพบุตรนี้ก็เพาะความไม่ประมาทสองวันกดฟังธรรมขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ที่ใกล้กับาวโบขนีมีกบตัวหนึง่งได้ยินเสียงพระพุทธองค์ตั้งใจฟังเสียงนั้นอดุโขกเด็กน้อยเลี้ยงบัวเอาค้อมทุบหัวตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นบาวตึ้มีนามว่ามันดูกาเทพบุตรนี้ก็เพราะมีสัมมาควะในพระธรรมเป็นต้นเหตุ อพยุโจทย์ในเกาะสิงหนลอพยกโจทย์มีใบมีบริวารถ้งห้าร้ยตั้งใจจะไปต้นเอตียะเทรีหานทอดเถระให้เป็นสมผานได้ให้ค น, น, ใ น, ในาา ร, ครับนำางนใสง้ำอ้อยแข่สารผักสดผักดองและโค ร, รถเป็นต้นมาให้มาให้จับทัดกับกโจนพวกโจนบริโภคแล้วถามว่าใครทำการต้อนรับนี้ เมื่อสาบว่าพระอภัยยติระผู้เป็นสมถันครับรัดสั่งให้นำมาเลี้ยงถ้ากำเกิดความเลื่อนสายช่วยรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่านและญาติโยมผู้มาทำบุญทำทานที่เป็นที่นี้ก็พระเลื่อนสาในการต้องรับปฏิสนานและพระสงฆ์ผุ้ฉลาดด้วยเรื่องที่สี่เรื่องสัต3์สามสาหสเทรัศกา เมื่อดีตการจังกนโ้นมีศัตรมสหายขึ้นนกประทาหนึ่งหนึ่งช้างหนึ่งอาศัยต้นใทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ฉันเดิมศัตรมสหายนั้นไม่เคารพ ก, กันแล็กกันเพราะไม่รู้ว่าใครเก่ใครอ่อนกว่ากัน mm. วันหนึ่งศัตรูเรานั้นคิดกันว่าพวกเราอยู่ด้วยกันในอาการอย่างนี้หาคนไม่อย่ากแหนะเลยในพวกเราทั้งสามนี้ถ้าคุณไดแก่กว่า จึงทำการกราบไหว้คนนั้นตั้งอยู่ในเอว่าตของคนนั้นจึงเอาต้นไทรใหญ่เป็นเครื่องวับอายุกับถามากจะหายทั้งหลายพวกท่านรู้จักต้นไทรนี้ตั้งแต่มันโตแค่ไหนทางจากว่าเสหายทั้งหลายในเวลากันจึงลูกทางในเนาะจันเดินไปพอไทรนี้อยู่ในระหว่างขาทั้งสองในเวลาที่กันเติมโตขึ้น กินยอดของใบนี้ระเสดฉันฉะนั้นกัน จ, งจึงรู้จักต้นใบนี้ตั้งแต่มันยังเป็นกอเล็กเลกอยู่ลิงก็ตอบว่าเสหายทั้งหลายเมื่อกันจป็ลูกลิมน้อยดื่มน ม, มแม่อยู่นั่งที่พื้นดินไม่ต้องชักเง้อคอเลยกังจับกินยอดอ่อนของใบนี้ได้เพราะฉะนั้นกังจึงรู้จักต้นใบนี้ตั้งแต่มันยังเล็กๆลกอยู่ เมนกกระพาตอว่าเสหายทั้งหลายคั้งก่อนใส่ตนนี้มีอยู่ในที่โน้นการกินผลของมังเณวมัดไถ่มเมล็ดลงในที่นี้ต้นไทรนี้เกิดแต่มเมล็ดของกันนั้นเพราะฉะนั้นจันจึงรู้จักต้นไทรนี้ตั้งแต่เวลามันเกิดกันจึงแข็งกว่าสายตั้งฉะนั้นมาลิงค้างต่างอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะ ต, นนต่อนกกระทา ด้วยจักรรพะครับกราบไหว้เป็นตั้งอยู่ในโอวาทของนกรนนนกระทาแม้นกกระทาก็ให้จัดทั้งสองนั้นตั้งอยู่ในถิ่นห้าตนเองก็สมาทานถิ่นห้าต่าง ก, ก็มีความเคารพยังเกรงกันเลยกันรักให้กันดุจเดีพี่นอ้องร่วมบุตรพรก็เลือดันเดียวกันเมื่อสิ้นอายุก็ผ่ากันไปเกในสวรรค์เรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ทรงนำมาให้ ให้ทิศตุทั้งหลายฟังปรับสอนทิศตุทั้งหลายต่อไปว่าทิศตุทั้งหลายอนสัตเหล่านั้นเป็นเพียงศัตว์ดิรดฐานก็ยังมีความเคารพย่อมเกรงกันเล็กกันโย่วนพวกท่านบวชแล้วในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ท้อเหตุหลาจึงไม่เคารพย่อมเกรงกันเล็กกันโยแล้วปรับพัทธมรรคศาสนาะต่อไปอีกกันหนึ่งว่าเยวุฒามปตตเจ ย, ยันตินะราธรรมมัตสโกด้า พี่ทมีจะาปลาร้าง้าส่าสปลาโยเจสุขติแปลว่านรชนเหล่าใจสลาดในธรรมะมีสัมมาการะะอ่บุคคลผู้เริยนโยนรชนเหล่านั้นเป็นผู้ควรจั้ด้เสรินในโลกนี้โดยแท้แม้โลกหน้าของคนนั้นชอบเป็นสุขติเรื่องผู้หญิงอิ่มลกไปฟังธรรมผู้หญิงนางหนึ่งได้ทราบข่าวว่าจะมีการแสดงธรรมะ พุมลูกเดินทางมาฟังธรรมะขึ้นหนนทางไกลประมาณห้าโยชนางฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสไม่ประมาทตั้งใจปฏิบัติพัษนากรรมฐานตามโอวาทของพระธรรมกะเทศผสุดท้ายได้สำเร็จเป็นพระโสดาปันเรียนทิุปฏิบัติธรรมะทิศห้าร้อยูกเรียนกรรมฐานจากสำนักของพระภูดเจ้าแล้ว พยายามปฏิบัติเทไรเะไรก็ไม่ได้ผลจึงพาันกลับมาขอเรียนพระกรรมฐานใหม่อีกทันมาถึงกลางทางได้เห็นพยับแกดท่านไม่ประมาทตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยเอาพยับแดทั้นเลยเป็นอารมย์จะท้าทุากุลกังปฏจิยะท้าปัจเจมาลีกิกังพระองค์ตรัสแสดงทำให้ฟังพวกเหล่านั้นเจริญพยับแเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่ อ่าสำนักของโพดิแกวโพพุธเจ้าเขาเองทาให้ฟังมาเห็นฝโตกเห็นฟองน้ํามันขุดขึ้นดับไปขุดขึ้นไปก็เอาฟองน้ำเป็นอารมณ์ก็เอาพยจดแยบเป็นอารมณ์นึกพิจารณาถึงร่างกายของสตนเองเหมือนกับพยับแยดเข้าไปใกล้จับอะไรก็ไม่ได้ชีวิตของคนเรเหมือนกันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรเลยเหมือนกับพยจดแยบเหมือนกับฟองน้ำเกิดขึ้นเราดับไปเกิดแล้วดับไปคิดกันเรเหมือนกันขนนั้น ท่านก็พากันเจริญกรรมฐานนี่คือความไม่ประมาทไม่ช้าไม่นานก็ได้สมเด็จเป็นพระอารหันต์ทั้งหกเรื่องนี้ทีื่อเห็นได้อย่างเด่นชัดแล้ว่างาระวะแต่ละข้อแต่ละข้อก็เป็นอดุดมบรมมงคลมีผลทั้งคบนี้และพบหน้าตลอดจนสามารถนำพู้ปฏิบัติตามพระดถรนุมัคคุเทศา์เป็นประโยสารดังที่บัญย่ามาชนี้ท่านสาธิตคนที่ใจบุญงา งมงคลสาสิบเป็นประการมงคลที่ยี่สิบสองพอดยจะสมควรถึงเวลาแล้วจึงกขอกยนนุดเดินไปนี้แต่ก็ยังจะได้อีกส่วเวลายังเหลือเอาเพอีกมงคลหนึ่งเลยจะได้เร็วขึ้นมงคลที่ยี่สิบสามเตรียมตัวคำว่าเตรียมเตรียมตัวนิดนิวาต่มแปลว่าไม่มีหลบไม่พลองมีแต่ความอ่อนน้อมของตน หมายควว่าเตรียมตนไม่กระด้างไม่มีมานะความเตรียมตนนั้นมีลักษณะดังนี้หนึ่งมีจัมัะตามีใจอ่อนน้อมสองมีหัตมานโนไม่ถือตัวเพราะกําจัดมน า, าเก้าเสีด้ังสามมีหิตะทับเตกําจัดความกระด้างทั้งสามคือกระด้างเพราะชาเพราะโคตรและทับออกไปสี่ปาพระปุณธนาโจรกระสตีโสจนขึ้นกับผ้าชิดเท้าเพราะไม่แสดงอาการโลกโกรธหลงออกมา หชิ น, นะวิาสาโนะสะพะสมุเสมอฤคูอุตภะเขาขาเพราะทำลายโลภะโทสมูหะมาณะทิฏทิออกจะได้ตามส่วนของปัญญาหอุททะสัพสะสมุเสมอหรือริคิดถอนเที่ยวเกิดสันโหอ่อนหวานแปดสิกิโนมนงวนและมุละไม่ไม่อยากขายเก้าสมุทะโกเ บ, บิกบาลอ่อนโยน ผิดมุโกโกมีใจใสอ่อนน้อมชิดเอ็ดภพอสัมภาโสมีพร้อยคำไพเราะประกอบด้วยองค์สามคือสำโมธนกตานหนำมาแต่ความเบิกาบานบันเทิงเวลาไม่มีโทษกันนสุขขาไพเราะหงืองนินวาตะเรีว่าเขียมตัวเป็นมงคลอย่างนี้ขึ้นน่ะทาให้คนสามาขีดกันสองทําให้คนอยู่เย็นจนสุขสามทําให้คนเข้ากับคนได้เพราะรู้จักอ่อนน้ อ, อมข่ามตนเต้น ห้าเป็นที่ทำคนให้น่ารักน่านับถือน่าเคารพน่ากลาวไหวบูชาหําคนให้ผู้เอนอยากพกข้าวสมคบหกทําคนให้ได้กระยาณะมิตรเจ็ดทำคนให้ได้ดีพึงทั้งพวนี้เลยเทกหน้าแปดทำคนให้ได้สมบัติสามกามรมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตนิพานสมบัติต9ทําคนให้เป็นเครื่องไม่ประมาทเจ็ด ทำคนที่เหินได้เดินทางสายกลางคือ ม, มักแปดชุดเอ็ดทำคำให้ตั้งอยู่ในสัตว์ทำสามปริยัติปฏิบัติเจอสืดสองทำคนที่ดีเด่นเลิกประเสริฐเฉ่งตัวอย่างประกอบในเรื่องนี้เรื่องพระอัศจิเทระพระอัสชิเทระไปบิณฑบาตในบ้านฤาษีติสมานุปได้พบเหินเกิดความเลื่อมใสในกิริยามนุษย์ในโอกาสที่เข้าไปหาเรียนถามว่าท่านบวชจากสำนักไหน ครูบาอาจารย์ของท่านสอนอย่างรไงท่านตอบว่าท่านเป็นผู้ใหม่โยยังไม่สามารถจะแสดงให้ฟังได้อย่างกว้างขวางโดยพระจิตมนุษขอฟังแต่ย่อๆท่านจึงแสดงย่อๆว่าเยตามาหิปุตตะวาเตสังยึดตรงสัทธาคตโตเตสังจะโยนิโรโทจะเอวังวตีมห้าสมโนธรรมะเราได้เกิดเหตุพัฒนาคดตรับเหตุและคนดับแห่งคำเหล่านั้น พรมหาสมณะมีปกติพระรอย่างนี้เมื้ทัานได้ฟังเลวปฏิบัติตามก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในพระพุทธศาสนาและนำเอาธรรมนั้นไปบอกแก่โกริตามานุสเพื่อเป็เพื่อนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมขึ่นเดียวกันดีขัน้นภายหลังพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริว า, ขารขอปัญชาอุเบกขบในพระพุทธศาสนา จเจริญวิปัสนาจนเป็นพระอระหันต์ปรากฏว่าเป็นพระอภิษฐากของพระพุทธองค์เลยช่วยพระพุทธองค์จันลงพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงสเิรีภาพอยู่ตลอดกาลนานจนกระกกรกกทั่งนิพพานนิพพานเรื่องนี้เชื่อเห็นได้ดังเดินทัดเนื้อว่าทั้งพระอสศกิและอุปติสมานบกอริสมานบต่างก็มีความอ่อนน้อมถ่มตนเป็นอย่างดีดังนั้นความเป็นคนเตรียมตัว งเป็นมมกนนทนสูงสุดอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาสสสเป็นโมกคลที่23ดังบรรยายมาชนนี้ท่านสาธุธรรมช่วยใจบุญทาลายวันที่28บ้านพลอากาศโทวัฒน์สิมิรุกข์ปานคนกนกจัดให้มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานโลกิจองหาที่เคยไปโปรดจ่ายนะ ขณะนี้อยู่ในระหว่างภายพนพรรษาเราจะได้พากันตั้งใจระพุทธปริบัติเป็นธทธบูชาธรรมบูชาทั้งขบูชาแสดงพระธรรมเทสนาเรื่องมองคนชีวิตก็สมควรเก่าการเวลาแล้วขอจิตไว้แตเพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์นานเนวสารสันติในสิ่งส ด, ด, ดุดิลง แห่งการแสดงพระสัสมธรรมถุจนานีพระเจ้ากุฏานุวาวินะด้วยอนุภาเป็นงคนปรีรับสนับไกลาอาทิไสหุนดเดชแม่อกูโซนสมบัติอนวัตกะจิตธรรมามิตรสการะวูชาข้อจงเป็นคาระปัจจัยปกป้องรส า, าท่านซาที่ทนพูดใจบนทลายให้อยู่ยินเป็นศกปราศยากทุกโศกใหภัยเจริญ อ, อายุวันนะ โชคข้พระปฏิพันธธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิพียองจิตสถิตมันน่นอยู่ในทานชิ้นภาวนานำพาตนในผลทุกถึงสุขกันไทยโบนกล่าวคือมาคนน้านอรพาด้วยทั้นทุกท่านเทิญยะทาวะลวหาผูราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวอิโสตินงังเทสนังอุปกรัรปฏิปิจังปฏิจังสมหิสัมมีลสมิตเถร สัพเพปเรปนตตสังกปาจันโทพนารโสยถามะนิโชติลาโสยถาสพิทิโยวิวัชันโตสพโรโควินัสโตมะเตพวัตวันารโยสุขีทิทาโยคภวะข้าพิวาสนาสีลิสสนิจจงุทธาปชายนโนสัตตารโอธรรมาวัตทันติอายุวันโนสุขังต่าง